งานบุญใหญ่ที่วัดป่าบ้านตาดที่มาของงานบุญประทายข้อบเหลือกมีอยู่ว่าชาวนาเอาขอบเหลือกส่วนหนึ่งมาถวายท่านอีกส่วนหนึ่งนำไปหวานเพาะต้นกล้าเพื่อที่จะปลูกขอให้ท่านทำน้ำมนต์ท่านก็เมตตาทำน้ำมนต์ให้และพรมขอบเหลือกที่จะเอาไปหวานเมื่อชาวนาเอาไปหวานกันก็ปรากฏว่าต้นกล้าจเจริญงอกงามดี